ธรรมบัญญายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่สองคำถามเวลาเดินจงกรมเราต้องกำหนดรู้ที่ใดที่หนึ่งโดยจำเพาะหรือเปล่าคำตอบไม่ต้องปล่อยมันไปตามธรรมชาติเพราะว่าชั่วประเดียว สติจะย้อนกลับเข้าที่ของมันเองการเดินจงกรมนี่แหละครับกอดอกหรือมือไขว้หลังอย่างใดอย่างหนึ่งเราเดินตามธรรมดาเหมือนยกมือที่จริงยกมือก็เหมือนเดินจงกรมด้วยมือเวลาเคลื่อนมือเดินอย่างนี้ก็ได้แต่ดูข้างนอกมันดูตลกเห็นครั้งแรกผมก็ขำแต่สาระนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปแบบภายนอก มันอยู่ที่ภายในคือความรู้สึกตัวสดๆเมื่อทำอย่างนี้มันจะย้อนกลับเข้าไปในตัวเองแทนที่จะคิดออกไปข้างนอกก็จะเริ่มเข้าไปในตัวเคล็ดสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องการเดินเพื่อเห็นความคิดถ้าเราเดินยาวไปเรื่อยมันคิดหลายเรื่องเกินไปเดินประมาณช่วงนี้แล้วเดินกลับ เดินเร็วบ้างช้าบ้างทีนี้ถามว่าเอาสติกำหนดที่ใดสำนักต่างๆเขาแย่งหนอเหยียบหนา อ, อันนี้ก็ไปอีกทางหนึ่งไปเพื่อความสงบแต่ว่าไม่เกิดปัญญาสิปีแรกในชีวิตศาสนาผมทำกรรมฐานมากแต่ก็ไม่เกิดปัญญาได้แต่สงบแค่สงบเท่านั้นเองไม่เกิดอะไรขึ้นเลย แต่บัดนี้เราจะเดินเพื่อเราให้มันตื่นเมื่อสติลอยออกดึมกลับมาที่ความรู้สึกสดๆเพราะเมื่อเราเดินไปเสื้อผ้านี่จะถูไทยกับร่างกายเรามันจะวูบปู๊บพอเราเก้าวอย่างนี้ให้จับความรู้สึกตัวสดๆบนฐานที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่คำถาม กิริยาที่9นั้นต้องทำตามแบบแผนหรือไม่คำตอบอย่าไปคิดถึงแบบแผนกิริยาอาการที่9ความรู้สึกตัวสดๆอย่างนี้ความรู้สึกนี้มันมีอยู่ทุกคนมีอยู่แล้วทีนี้เวลาเดินไปให้เราสังเกตผมใช้คำว่าสังเกตไม่ได้หมายถึงกำหนดพอกาหนดแล้วจะมืนหัว แน่นหน้าอกไปเพ่งเข้าเดี๋ยวก็ปวดหัวเพ่งให้เราสังเกตแล้วก็เดินไปความรู้สึกตัวสดๆจะปรากฏขึ้นจากการก้าวในทุกก้าวโดยไม่ได้กำหนดนิมิตใดแค่รู้ตัวลวุลนคำถามเราเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของกายก่อนใช่หรือไม่คำตอบดีแล้วครับ ก็ต้องดูที่ร่างกายเราดูที่ตัวเองอารมณ์แรกเรามารู้จักรูปนามคือรูปและนามนี่มันกำลังกระทำอยู่อย่างผมเคลื่อนมืออย่างนี้ถ้ามันมีแต่นามร่างกายไม่มีก็เคลื่อนไม่ได้ไม่มีนามรูปก็เคลื่อนไม่ได้ทีนี้รูปกับนามกำลังทำงานร่วมกันคือเราเคลื่อนมือใช่ไหม อารมณ์เบื้องต้นนี้เรากาลังศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างรูป ก, กับนามดังนั้นเราต้องเคลื่อนไหวแล้วสังเกตการเคลื่อนไหวคือให้ดูตัวเองการเห็นความจริงคือเห็นตัวเองไม่ใช่ไปเห็นเบอร์สลากกินแบ่งเห็นพระพุทธรูปอย่างนั้นเป็นเรื่องนิมิตเทียมซึ่งอันตรายไม่น้อยเลย ถ้าปฏิบัติวิธีนั้นต้องมีอาจารย์คุมมีคนผิดปกติมากขึ้นเพราะไปเห็นอะไรเข้าสมัยผมภาวนาวิธีนั้นอยู่ผมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นท่านนั่งอยู่เบื้องหน้าผมแต่ดีที่ผมมีสติทันไม่งั้นอาจเตลิดไปไหนตอนไหนสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้เท่าไม่ทันก็อันตรายดังนั้น พยายามรู้สึกตัวให้มากเพราะตัวนี้จะเป็นหลักประกันเวลาเกิดนิมิตอะไรแปลกๆพอรู้สึกตัวก็จะหยุดทันทีแต่เชื่อเถอะวิธีที่ผมแนะนั้นไม่มีอันตรายอะไรเป็นวิธีที่รู้สึกตัวอยู่มันจะเพี้ยนไปไม่ได้แม้เผลอไผลไปบ้างก็ชัว่วขณะเอาแค่นี้ก่อน คนที่ภาวนามาดีแล้วถ้าช่วยแนะนำในเรื่องของการเดินจงกรมแก่ผู้ยังไม่รู้บ้างก็จะดีความสง่างามแห่งพุท ธ, ธะในตนเองในอินเดียครั้งโบราณกาลผู้สแสวงหาความจริงที่เรามักรู้จักในนามของโยคีฤสีหรือนักพรตรูปใตรูปหนึ่ง ถือกันว่าศีนาริกาของตอนเช้าตรู่เป็นอมริตกาลคือเวลาที่ผู้แสวงหาความจริงต้องตื่นนอนเพื่อฝึกปลือตัวเองไม่สลบซบเซาในการสแสวงหาความจริงของเรารากฐานอันหนึ่งที่สำคัญมากคือการตื่นตัวด้วยอำนาจของการตื่นตัวนับตั้งแต่ท่าที่เรานั่ง กระดุกสันหลังทุกข้อจะลดกันสนิทเราจะมีความตื่นตัวและในความตื่นตัวนี้เราจะเข้าถึงความสงัดของชีวิตอันเป็นที่สิ้นสุดการสแสวงหานั่นหมายถึงที่สุดแห่งทุกในตัวเราความสงัดนี้เราสร้างขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกับมนุษย์เราไม่สามารถสร้างความเงียบหรือช่องว่างขึ้นได้ ความเงียบอยู่ในตัวเราเราจะพบว่าในความซบเซานั้นเราจะค้นไม่พบความดีงามอะไรเลยในการเจริญสติภาวนาเราตั้งกายตั้งใจให้ตรงกับความตื่นตัวนี่ให้มากขับไล่ความ ง, ง่วงซึมออกไปเมื่อตื่นตัวได้ดีก็จะค่อยๆค้คนพบอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเช่น ความดีความงามทุกคนที่ฝึกเจริญสติอยู่บ่อยๆนั้นจะค้นพบสุนทรียภาพจากเนื้อในใจของตัวเองการได้ดูต้นไม้ดูพระจันทร์ดูน้ำหรือดูอะไรก็ตามรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างสนิทสนมแนบแน่นกับใจของเราพวกเราอย่าหยุดเจริญสติเราต้องทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสมาธิ ถ้าเราพูดคุยกันสติจะเลื่อนลอยเข้าไปในภาษาหรือมโนภาพดังนั้นจึงต้องระมัดระวังที่จะพูดกันให้น้อยรู้สึกเข้าไปข้างไหนให้มากวิธีที่ผมแนะนำเมื่อคืนนี้และ ว, วันนี้ก็เพื่อความตื่นตัวแต่เราต้องทำให้เป็นสมาธิขึ้นมาให้ต่อเนื่องกันไปดูแล้วเหมือนทำเล่น แต่ไม่ช้าไม่นานเราจะพบความเงียบที่น่าตื่นใจพบความสงัดชนิดหนึ่งซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจสาหรับเราเป็นความตระหนักรู้ชนิดหนึ่งส่วนกรรมวิธีชนิดอื่นที่ผมทดลองมาส่วนใหญ่เราเจออุปสรรคเช่นความง่วงความซึนนั่งนิ่งอย่างนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดี สำหรับคนที่สติตื่นแล้วจะนั่งหลับตาหรือลืมตาก็ย่อมได้ส่วนใหญ่เราตกอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาอะไรสักอย่างคาล้ายเมาเหล้าเมากัญชาเป็นเช่นนั้นสติ ป, ปัญญาดูเสมือนไม่ทำหน้าที่เลยธรรมชาติของความตื่นตัวในภาษาพระเรียกว่าพุท ธ, ธบ้างโพธิบ้างทุกคนเป็นอย่างนั้น พอเราตื่นตัวตื่นตาเต็มที่จะเกิดการสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างจากใจตัวเองเราตื่นเต็มที่อย่างนี้มองอะไรก็จะมองจากในสุดออกไปเพราะไม่มีความคิดเข้ามากลางกัน้นหากเราปฏิบัติได้สมดุลพอดีตามปกติเมื่อเรามองท้องฟ้าหรือต้นไม้กระแสะความคิดของเราจะเข้าไปบดบังหมายความว่า เราดูด้วยและคิดซ้อนเข้าไปด้วยเช่นเราเห็นหน้าคนเราก็คิดซ้อนเข้าไปในความเห็นด้วยเช่นเขาเป็นคนผิวดำเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีดังนั้นการดูของเราจึงไม่เงียบการดูออกมาจากเนื้อในใจหรือว่าดูด้วยใจดูโลกนี้ไม่ใช่ดูด้วยตาเนื้อหรือดูตัวเองก็เหมือนกัน ดูด้วยความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกและความเงียบเช่นนั้นเราจะพบว่าไม่มีความลังเลไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ทรมานคําว่าตื่นกายตื่นใจกายบอกถึงความคล่องงานเวลายกมือยกได้อย่างง่ายดายเหมือนกับลอยขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญหามีความคิดมากเราจะลังเลมากเวลายก ความรู้สึกหนักๆเข้าไปกลางกัน้นกายของเราจิตของเราจะแสดงธรรมชาติที่เบาออกมาให้เห็นร่างกายจะรู้สึกเบาโปรง่งภัศนวิสัยต่างๆไม่ขัดข้องนึกคิดไปในทางไหนก็ไม่หนักใจไปล่วงหน้าจะกินอะไรนอนที่ไหนก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจอะไรไม่มีปัญหาเลยสำหรับความรู้สึกที่ตื่นกายตื่นใจ ดังนั้นเราต้องเราให้ความรู้สึกตัวตื่นปัญหาและอุปสรรคที่หนักที่สุดคือความเบื่อความง่วงซึมอยากกลับเข้าไปสู่อุปนิสัยเก่าๆที่เคยชินที่เคยทำเมื่อเรานั่งกายตรงอย่างนี้เราจะพบว่าคลื่นสมองของเราเริ่มถูกจัดระเบียบก่อนหน้านี้เรานั่งแบบสงบอยู่กลู่เดียวเท่านั้น เราถูกนำสู่อุปนิสัยเก่าๆเพราะสมองของเราเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ถูกกาหนดเต็มไปด้วยความขัดแย้งมันจะสะกดเราให้คล้อยตามอุปนิสัยเก่าเช่นความง่วงความละโมบอะไรสารพัดแต่ทันใดที่เราดำรงกายและจิตถูกสัดส่วนของมันเองเราจะพบว่า มีความซื้อชนิดหนึ่งปรากฏความรู้สึกตัวปรากฏขึ้นสมองเริ่มโปร่งยิ่งเรายกมือซื้อๆอย่างนี้เราจะพบว่ามันตื่นตาตื่นใจคนทั่วไปจะตื่นตาตื่นใจเมื่อได้กินได้เป็นอะไรที่ตัวเองชอบแต่คนที่ฝึกจเจริญสติหรือจเจริญสมาธิอยู่จะตื่นตาตื่นใจก็ตรงได้เห็นสภาพการภายในของตัวเอง เรานั่งตรงนี้เราเฉยๆอยู่แต่เมื่อใครโยนงูเข้ามาสักตัวเราจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้เราจะรีบลุกกระโดดขึ้นพรวดพลาดหายง่วงทันทีภายในของเรามีกระแสะความคิดไหลผ่านเลยไปคลายงูแต่เราจอมจมอยู่กับมันตดวไม่สะดุ้งเพราะไม่รู้ไม่เห็นเป็นการตื่นตาจริงๆ เราจะเริ่มสำรวจเข้าไปในตัวเราเราจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเราจะค้นพบที่มาของความยุ่งยากต่างๆเช่นการคิดอะไรไปล่วงหน้าแล้วเป็นเหตุให้วิตกกลัวไปล่วงหน้าเช่นเดินผ่านต้นไม้ที่เขาว่าผีดุเราก็คิดวิตตกมันก็เริ่มถูกหลอกแล้วสิ่งที่เรียกว่าความคิดที่คิดไปล่วงหน้านั้น ทำให้เราไม่มีชีวิตที่เงียบสงบและอิสระดังนั้นอาศัยความตื่นตัวนี้ตื่นตาตื่นใจแล้วเร้ามันด้วยการเคลื่อนไหวเราจะเข้าไปถึงสมุดฐานของความคิดหรือสภาวะก่อนหน้าคิดระวังความคิดเรื่องอยู่เหนือคิดวันที่พระพุทธเจ้านั่งที่ริมน้ำ หลังจากฉันอาหารของนางสุชาดาแล้วท่านได้ลอยถาดเสียงบารมีเรื่องบอกว่าถาดลอยทวนน้ำไปสู่ต้นน้ำนั่นหมายความว่าตลอดเวลาหกปีที่พระพุทธเจ้าทำความเพียรค้นหาความจริงนั้นท่านเข้าไปในความคิดเรื่อยๆตามอารมณ์ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าเริ่มคิดออกว่าต้องย้อนไปสู่ก่อนหน้าที่จะคิด ความคิดเป็นกระแสไหลไปเหมือนน้ำท่านกระทำตัวเองต่า ง, า ง, างนาๆนานาไปตามความคิดในวันสุดท้ายของการแสวงหาโพธิญาณ น, นั่นเองท่านเริ่มปฏิบัติการทวนกระแสแม้พวกเราก็เริ่มต้นทวนกระแสอาศัยความตื่นตัวตื่นตาตื่นใจคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันเรากลับมาสนใจความรู้สึกสดสด เพราะความรู้สึกสดๆนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดดังนั้นเมื่อเราตื่นตัวตื่นกายตื่นใจมากเราจะค้นพบอิสระอิสระจากอำนาจความไม่รู้นั่นเองแต่ถ้าเราเข้าใจผิดคิดว่าเราต้องหยุดความคิดให้ได้อย่างนั้นเราต้องเป็นทาสของความคิดในการที่จะหยุดความคิดเราจะยิ่งมีภาระหนักในการคิด และพบความวุ่นวายมึนงงดังนั้นเราต้องไม่หยุดความคิดเราปล่อยให้มันคิดแต่เราเป็นตัวนี้ตัวซึ่งไม่ได้คิดดังนั้นชีวิตของเราจะปรากฏใหม่คือแทนที่จะเป็นทาตุของความคิดกลับเป็นความรู้สึกตัวอยู่เหนือความคิดคล้ายๆเรือซึ่งอาศัยน้าสาหรับแล่นไปถ้าเรือจมลงในกระแสน้ำ ก็เป็นอันว่าแล่นไปไม่ได้เมื่อเราพลิกตาขึ้นมาเหนือผิวน้ำเรือ น, นั้นเองอาศัยน้ำแล้วแล่นวนไปได้เราอาศัยความคิดเพื่อเข้ามากระตุ้นให้ตื่นตัวแต่เราต้องไม่เข้าไปในความคิดโดยการเราสร้างจังหวะอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเราจะค้นพบว่าความคิดที่หมักหมมอยู่มากมายนั้น สลับซับซ้อนและทำให้พฤติกรรมของเราไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่มีระเบียบในตัวเองเดี๋ยวเราเกลียดเดี๋ยวเรารักเดี๋ยวเราโรคเดี๋ยวเรากลัวเดี๋ยวเรารํำคาญเดี๋ยวเราติดสิ่งนี้เดี๋ยวเราติดสิ่งนั้นเรามาทำความรู้สึกอยู่ที่ตัวไม่ใช่ทำความรู้สึกตัวที่คนอื่นตามธรรมดาแล้ว เราจะสนใจคนอื่นคือสนใจว่าคนอื่นคิดอะไรกับเราเราเที่ยวรู้สึกต่อความคิดนึกของคนอื่นอันนี้เป็นจุดอ่อนของนักภาวนาหรือบุคคลทั่วไปที่จริงต้องมารู้สึกตัวที่เราดังนี้มือที่ขยับยกขึ้นให้เรารู้มันรู้โดยสัญชาตญาณเวลาเราเคลื่อนมือเราอย่าไปจ้องมันให้รู้จักจังหวะ มันจะเข้าไปตัดกระแสะความคิดคลื่นสมองของเราจะถูกจัดระเบียบใหม่การเคลื่อนมือสร้างจังหวะเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเราเดินจงกรมบ้างเคลื่อนไหวเพื่อให้ตื่นตาตื่นใจถ้าเราคนพบสมาธิโดยไม่ตื่นตาตื่นใจอันนั้นเป็นโมหะสมมติว่าเรานั่งอย่างนี้เป็นสิบสิ บ, สบปี แต่ก่อนเราค้นพบความสุขมากแต่มันไม่ตื่นตาไม่ตื่นใจและไม่เห็นอาการโดยเฉพาะความคิดดังนั้นจึงค้นไม่พบความดีที่ตัวและไม่พบความงามใดๆเลยภายใต้สภาพที่ตื่นตาตื่นใจเช่นนี้เป็นการเปิดเผยถึงความเงียบสงัดของหัวใจดังนั้นเมื่อดูหน้าคนจะไม่มีความคิดแทรกซ้อน หรือดูพระอาทิตย์ตกดินรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งเดียวกับใจตนเพราะเราไม่มีช่องว่างระหว่างชีวิตกับสิ่งต่างๆเราไม่อธิบายมันความงามอันนั้นจึงสุดจะพรรณนาได้